นี่คือรายการธรรมาราปรุลทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกๆวันเราก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังในเวลาอย่างนี้เวลาตอนเช้าๆตี5ถึงตี5ครึ่งและในช่วงนี้อามามพระพยบูลจากวัดป่าดอนไหยโศกอำเภอหนองหารจังหวัดอุดรธา น, นีก็จะมาเป็นผู้ที่แสดงธรรมามาเป็นผู้ที่จะพูดคุยกับท่านผู้ฟังในทุกๆวันโดยวัน วันพูดอย่างนี้ก็จะนำคำถามที่ท่านผู้ฟังดังบ้านได้ส่งมาไม่ว่าจะส่งมาทางจดหมายโดยส่งมาที่ารายการธรรมาราปรุสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนวิรบรวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ1น0 0 0หรือว่าส่งมาที่เว็บไซต์ก็ได้ที่เพียวธรรมะดอท p u r e d h a m m a c o m ในหน้าที่ส่วนของกรมประชาสัมพันธ์ก็จะมีช่องให้สำหรับกรอกข้อมูลจะเป็นคำถามข้อเสนอแนะหรือว่าข้อคิดเหนด็นใดๆก็ส่งก็มาได้แล้วก็ในรายการแต่ละวันก็จะนา เ, เนื้อหาของธรรมะที่แตกต่างกันไปมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันทุกๆวันส่วนในวันเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นรายการภาคสากจฉาจะเป็นการสนทนาธรรม ระว่างอาตมากับคุณเตนใจสินทุพนิกรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งในการที่เราจัดรายการปรับรูปแบบใหม่ในครั้งนี้ก็จะลองดูซิว่ามีความเอนจากท่านผู้ฟังอย่างไรในเรื่องของรูปแบบของรายการแล้วก็จะค่อยปรับให้ลงตัวในโอกาสต่อๆไปซึ่งในวันพุธนี้ก็จะนําคําถามที่ท่านผู้ฟังได้ฝากเอาไว้ในรายการ เป็นคำถามที่มาจากอินเทอร์เน็ตบ้างเป็นคำถามที่มาจากทางจดหมายบ้างคำถามแรกก็มาจากคุณชุติมาคุณชุติมานี่ส่งมาทางอินเทอร์เน็ตซึ่งไปที่เพียวธรมะดอทได้ฟังรายการธรรมรับรุณเมื่อภาคเช้าของวันจันทร์ที่ผ่านมาในช่วงประยัิที่ไม่เป็นงูพิษแล้วก็มีข้อสงสัยเกี่ยวกับ หมวดธรรมะที่มีอุปการะมากคือสติและสัมปชัญญะแล้วก็ที่ยังไม่เข้าใจก็คือที่อาตมาได้บอกว่าสติเนี่ยคือความระลึกได้เป็นเรื่องของจิตแต่ว่าสัมปชัญญะนี่เป็นการรู้ตัวเป็นเรื่องของกายซึ่งตรงนี้คุณชุติมาผู้ถามนี่ยังไม่เข้าใจก็เลยต้องการจะให้อธิบายเพิ่มเติมในช่วงนี้ทีนี้ก็ต้องทาความ ท้าความให้ท่านผูฟนน้ฟังท่านในตื่นฟังสัหน่อยหนึ่งสาหรับผู้ที่อาจจะไม่ได้ฟังช่วงปริยัติที่เป็นงูพิษที่ผ่านมาซึ่งอาจมาได้พูดถึงเรื่องของสติและก็สัมปชัญญะว่าทำสองอย่างนี้เป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าบอกว่ามีอุปการะมากแล้วก็ได้พูดถึงสติที่มีความหมายที่พระพุทธเจ้าอธิบายไว้ว่าคือการระลึกได้ระลึกถึงสิ่งที่ทําจําคําที่พูดแล้วแม่นานได้ เพราะฉะนั้นสติเนี่ยคือเหมือนกับเรานึกถึงเรานึกถึงหน้าไกลสักคนใดคนหนึ่งเรานึกถึงบ้านนึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาตรงอาการที่เรานึกถึงได้เนี่ยนี่คือระลึกถึงได้คือสติแตนะ่ซึ่งสติในที่นี้พระพุทธเจ้าได้พูดไว้เยอะแยะมากมายเลยอย่างน้อยก็ต้องมี10อย่างแตนะ่คือถ้าใครเห็นต้นโพนึกถึงพระพุทธเจ้าเอากุญเจริญพุทตานุสติละใครเห็น คนนั้นเขาเป็นคนมีศีลเฮ้ก็นึกถึงว่าตัวฉันเองก็มีศีลเหมือนกันเอ้านี่ก็เป็นศีลานุสติละนะหรือนึกถึงคนที่ตายไปแล้วเช่นพ่อแม่เราถ้าท่านเหล่านั้นไปเกิดเป็นเทวดาวก็เป็นเทวตานุสติละซึ่งสตินี่คือความระลึกไดนะ้เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นเรื่องของจิตที่อยู่ในจิตของเราเราต้องใช้จิตของเราในการที่จะระลึกนะแล้วก็มีพุทธวจนะที่พูดไว้อีกที่หนึ่งที่พระพุทธเจ้าบอกว่าจิตเนี่ยเป็นที่แล่นไปสู่สติ นะคืออินทรีย์ทั้งหลายเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยทุกอย่างจะมารวมลงที่จิตนะพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าอินทรีย์เนี่ยเป็นที่เล่นไปสู่จิตแล้วก็จิตเนี่ยเป็นที่เล่นไปสู่สติแนะสติเนี่ยก็จะเป็นที่เล่นไปสู่วิมุติเพราะฉะนั้นจิตของเราเนี่ยจึงต้องมีสติกำกับไว้ตลอดในเป็นที่เล่นไปสู่จิตดังนี้เพราะฉะนั้นจิตเนี่ยสติเนี่ยจึงเป็นเรื่องของจิตแน่ละส่วนเรื่องสัมปชัญญะ ที่แปลว่าความรู้ตัวรอบครอบในะรู้ตัวทั่วพร้อมก็ไดนะ้เป็นเรื่องของกายเพราะว่าคําว่าสัมปชัญญะนีบรูชาบอกว่าคือการรู้ตัวรอบครอบเป็นในการก้าไปข้างหน้าการแลดูการเดียวดูการคู่กันเหยียดการทรงสังกติบาจีวรสัมปชัญญะเนี่ยที่เรามักจะเข้าใจกันว่าสติปัญญาสติปัญญาสติปัญญ า, ญญาก็คือสติสัมปชัญญะจริงๆไม่ใช่ และคนทั่วไปจะเข้าใจคำว่าปัญญาเนี่ยสัมปัญญาเนี่ยคือปัญญาเพราะไปพ้องกับรูปที่ว่าสติปัญญาใช่ไหมสติสัมปัญญาก็จึงทําให้คนเข้าใจว่าอ๋อไอ้ปัญญานี่คือสงสัยเป็นสัมปัญญะซึ่งจริงๆไม่ใช่พระพุทธาพูดถึงสติปัญญาในวจงสติสัมปัญญะในว่าจงเป็นผู้มีสติอยู่อย่างมีสัมปัญญะในสัมปัญญาในที่นี้อธิบายไว้ชัดเจนโดยสิ่งที่เป็นพุทธวจนะ ว่าคืออาการที่เรารู้ตัวรอบครอบในการทํากิจกรรมต่างๆอิริบทต่างๆกินข้าวไปห้องน้ำพูดคุยนิ่งนอนยืนทุกอิริบทเลยเพราะนั้นจึงเป็นเรื่องของกายปริชาติบอกว่าให้เป็นผู้มีสติอยู่อย่างมีสัมปชัญญะก็คือมีสติอยู่ในทุกอิริบทในทุกอิริบทที่เราเดินไปย่างไปก้าวไปเนี่ย พูดคุยทำงานอยู่อยู่ที่บ้านอยู่ที่ทำงานนั่งรถเม์น้ำท่วมอยู่ถูกน้ำกัดเท้าอยู่ไปช่วยประสบผู้ประสบอุทกภัยทั้งหมดนี้คุณต้องมีสติหมดนะสติคือควา ม, มาระลึกได้เหนะมือนการที่เรามาระลึกได้ว่าโอ้ช่วงนี้มีประเทศไทยมีปัญหานะมีวิกฤตอุทกภัยเรามาระลึกได้ว่าเออเราต้องทำความดนะีไปช่วยพูดเหลือผู้อื่นเป็นบุพการีบุคคลนะเป็นอุปการะผู้อื่นก่อน การระลึกได้ตรงนี้ก็คือสติในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตเราในบางทีไปหาหมอหมอบอกคุณเป็นมะเร็งขั้นสี่นะคุณเป็นโรคอย่างนั้นอย่างนี้นะคุณมีเวลาอีกไม่กี่เดือนนะคุณจะตายนะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของเป็นเครื่องเตือนสติละว่าโอ้เวลาที่เหลือเราต้องทําความดีเหตุการณ์ในบ้านเมืองที่มันแย่ๆที่ผ่านมาก็เป็นตัวที่คอยให้เราระลึกถึงเรียกให้เรามาทําความดีแต่เพราะนั้นเวลาเราทําความดีเนี่ย เราทำสิ่งดีๆเนี่ยด้วยอิริบทไหนเราจะต้องมีสติอยู่ตลอดอันนี้พระพุทธเจ้าพูดไปชัดเจนนะว่าไม่ว่าจะอยู่กับคนดีหรือคนชั่วนะเราต้องมีสติคอยกำกับจิตรักษาจิตอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงเรื่องสัมพชัญญะก็ให้ทราบไว้เลยว่าเป็นเรื่องของกายในการที่จะรู้ตัวรอบคอบในการก้าวไปข้างหน้ากัน คการเหยียดการทรงสังกติบาจีวรการดื่มการเ ก, ารกี่ยวการลิ่มพวกนี้ส่วนสตินี่เป็นเรื่องของทางใจแล้วก็มีจะมีระดับขั้นต่างๆซึ่งถ้าท่านผู้ฟังมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของสติคุณชุติมาก็สามารถส่งคำถามมาได้หน้นที่เพียรธรรมะ .com หรือว่าเขียนจดหมายมาก็ได้คาถามต่อไปมาจากคุณที่ใช้นามว่าผู้สูงวัย ก็ส่งมาที่เว็บไซต์เหมือนกันนะคุณผู้สูงวัยได้บอกว่าได้อ่านพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเล่มที่20หัวข้อที่473รากล่าวถึงเรื่องกรรมนะที่ว่ากรรมที่ถูกโมหะครอบงำกรรมนี่แปลว่าเจตนาก่อนนะเจตนาคือการทำเจตนาใดๆที่ถูกโมหะครอบงำนันเกิดแต่โมหะมีโมหะเป็นเหตุมีโมหะเป็นแดนเกิดย่อมให้ผลในที่ที่เกิด อัตภาพของเขากรรมนั้นให้ผลในขันใดในขันนั้นเขาต้องเสวยวิบากของกรรมนั้นในลำดับที่เกิดหรื อ, ต, อ, ต, อต่อไปในปัจจุบันนั่นเองเปรียบเหมือนเมล็ดพืชที่ไม่แตกหักเสียหายไม่ถูกลมและแดดกระทบมีสารมีสาระเก็บงําไว้ดีเขาหว่านลงบนพื้นดินที่ปรนไว้ดีแล้วในไร่ที่ดี ฝนก็ตกดีตามฤดูกาลเมล็ดพืชเหล่านั้นย่อมถึงความเจริญงอกงามไปบุญโดยแท้ทีเดียวคําถามของผู้สูงวัยถามานี้ว่าสงสัยว่าจะไม่มีวิบากกรรมที่ส่งผลไปถึงพบหน้าหรือว่าพระพุทธเจ้ า, าไม่ให้ความสนใจไว้นะถามมาอย่างนี้อันนี้ต้องเท้าความทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้นิดนึงด้วยนะคือผู้สูงวัยเนี่ย เขาไปศึกษาพระไตรปิฎกนะซึ่งอันนี้อาตามาคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีมากนะผู้ที่เป็นพุทธศาสนิกช น, นคุณฟังรายการวิทยุแล้วคุณไปนั่งสมาธิบ้างคุณศึกษาอ่านหนังสือธรรมมาบ้างจริงๆคุณต้องเรียนพระไตรปิฎกนะต้องศึกษาสิ่งที่เป็นคําสอนพระุทธเจ้าที่อยู่ในพระไตรปิฎกนะว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรบ้างเรื่องธรรมเป็นยังไงเรื่องวินัยเป็นยังไงเพราะฉะนั้นจึงต้องยกย่องท่านผู้สูงวัยนีนะ้ว่าได้ไปอ่านพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ อนะเล่มที่20่สิบพออ่านแล้วก็มีข้อสงสัยจึงได้เขียนมาถามนะในที่นี้เราพูดถึงอุปมาอุปไมยที่รพระพุทธเจ้าพูดถึงก่อนนะคือเหมือนกับมเมล็ดพืชนะเอามเมล็ดพืชมามเมล็ดหนึ่งซึ่งมเมล็ดพืชนี้เป็นมเมล็ดพืชที่ยังไม่แตกหักเสียหายแล้วก็ยางมันยังมีอยู่ไม่ถูกลมและแดดคือถ้ามเมล็ดพืชเนี่ยถูกลมและแดดตากไว้เนี่ยมันก็จะเป็นมเมล็ดพืชที่ไม่มีเชื้องอกแล้วนะ พอเมล็ดพืชที่ไม่มีเชื้อ ง, งอกเนี่ยจะเอาไปใส่ในดินนะหยดพรมน้ํารดน้ำมันยังไงมันก็ไม่โตเหมือนอย่างสมัยนี้เขามีการใช้แสงในเมล็ดข้าวที่ทําให้เชื้อตัวจมูกข้าวที่จะไปงอกต่อเนี่ยมันไม่สามารถทํางานได้นะก็เป็นเมล็ดที่เอาไปปลูกต่อไม่ได้หรือว่ามีการทำเขาเรียกว่าตัดต่อพันธุกรรมของ อ, อย่างเช่นถั่วเหลืองอย่างเงี้ยทาให้เมล็ดถั่วเหลืองที่เอามาปลูกเนี่ย ไม่สามารถเอาม า, มารับประทานเนี่ยไม่สามารถเอาไปปลูกได้ตอนนี้ก็เป็นลักษณะของเมล็ดพืชที่จะไม่โตพรนะพุทธเจ้ายกอุปมาอุปไมในที่นี้เปรียบเหมือนกับเมล็ดพืชที่ยังดีอยูนะ่ยังมียางอยู่ยังมีเมล็ดเต็มอยู่พอเอาไปปลูกนะด้วยการไปหวานลงไปในดินมีน้ำรดเมล็ดพืชตรงนี้จะต้องโตขึ้นมาแน่นอนนะก็จะถึงความเจริญงอกงามไพบูรณ พระพุาในในอีกพระสูตรหนึ่งได้ยกตัวอย่างเอาไว้นะว่ามเมล็ดพืชเนี่ยเปรียบเหมือนกับวิญญาณของเรานะคือจิตของเราเนี่เองที่จะไปก้าวลงสู่ที่ไหนที่หนึ่งไอ้เจ้าตัวดินในที่นี้นี่คือไร่นะดินที่มเมล็ดพืชนี้จะลงไปเนี่ยดินตรงเนี้ยคือเนื้อนานที่จะไปเกิดในที่นี้ก็คือขันทั้ง5้านะืรูปเบชนาสัญญาสังขารวิญญาณคือจิตเราเนี่ยจะลงไปที่ไหนเนี่ย มันจะไม่เลยออกไปจากขันทั้ง5นะ้าสมมุติว่าอาตมาต้องการจะนึกเรื่องใดสักเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างเงี้ยก็จะนึกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็จะอยู่ในเรื่องของสัญญานะเห็นรูปก็จะอยู่ในเรื่องของรูปนะมีความรู้สึกนึกคิดเจ็บปวดสบายใจพวกนี้ก็เป็นเวทนาเพราะฉะนั้นจิตของของเราเนี่ยไม่ว่าจะของใครก็แล้วแต่ของอาตมาผู้พูดอยู่ของท่านผู้ฟังของคนเอเชียของคนยุโรปทุกคนจะเป็นแบบนี้หมดนะจะไม่ออกไปจากขันหานี้ เพราะฉะนั้นเมล็ดพืชเวลามันจะโตเนี่ยมันต้องโตไม่ได้ดินก็ในน้ําดินหรือน้ำเนี่ยจะเป็นที่ที่ทําให้มันโตขึ้นมาได้พรุทธเจ้าก็ใช้คําว่าเป็นเนื้อนาที่จะให้เมล็ดนี้โตขึ้นมาได้ทีนี้เมล็ดนี้คือวิญญาณใช่ไหมจะโตไปได้เนี่ยก็ต้องอยู่ในกันตั้ง5่านะแล้ก็ไอ้เจ้าตัวนันทิราคะเนี่ยคือตัวที่คอยทําให้เหมือนน้ํานที่จะ เมื่อมีความชุ่มชื้นอยู่มันก็จะโตขึ้นมาได้นะเพราะฉะนั้นในกรณีอย่างนี้นะพูดถึงปุถุชนธรรมดาที่ยังมีการเกิดอยู่แตนะ่ถ้าจิตของคุณวิญญาณของคุณมเมล็ดพืชเนี่ยยังมีเชื้อ ง, งอกอยู่ไปลงที่ไหนมีน้ําพอสมควรมันงอกได้แน่นอนเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันถ้าเผื่อว่าจิตของเรายังมีราคะโทสะโมหะคือมีเชื้อ ง, งอกอยูนะ่ไปอยู่ในที่ไหนมันก็จะต้องโตขึ้นมาทีนี้คําถามก็คือว่า ทำไมพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าย่อมให้ผลที่ที่เกิดอัตภาพของเขาสมมติว่าเราทำเจตนาใดเจตนาหนึ่งอย่างเงี้ยในความที่ในอัตภาพใดใย่อมให้ผลในอัตภาพนั้นของเขานะกรมนั้นให้ผลในขันใดในขันนั้นเขาจะต้องสบวยวิบากของกรรมนั้นในลำดับนั้นอันนี้ก็หมายความว่าสมมติว่าอาจมาพูดถึง สุนัขสักตัวหนึ่งสุนัขเนี่ยมันเป็นสัตว์เ ด, ดรัจฉานอัตลักษของเขาเนี่ยก็คือสัตว์เ ด, ดรัจฉานในเวลาสุนัขมันทํากรรมใดๆด้วยความที่มันเป็นสัตว์เ ด, ดรัจฉานเนี่ยนะมันอาจจะนึกถึงเช่นว่าคื อ, คอสุนัขเนี่ยอาหารที่อร่อยที่สุดของเขาเนี่ยนะคือจะไม่ใช่หูฉลามจะไม่ใช่ อ, า, อาหารอันประณีตหรือปาจาริเม็ดที่เรารับประทานกันมีความอร่อ ย, ยแต่อาหารที่ดีที่สุด ข, ของเขาเนี่ยคือกระดูกไก่มีเนื้อติดนิดนึง ดีที่สุดล่ะของสุนัขสุนักเนี่ยจะดีใจมากเลยถ้าได้เศษอาหารในอย่างเวลาพระไปบินตบาทอย่างเงี้ยรับประทานอาหารมาเสร็จเรียบร้อยฉันอาหารเสร็จแล้วสุนักเนี่ยมันก็จะมาคอยกินอาหารเศษอาหารของพระแต่ถ้าวันไหนมีกระดูกไก่ติดเนื้อนิดนึ่งโอ้มันดีใจมากเลยนนั้ด้วยความที่มันหลงคือการที่มันกินอาหารด้วยความเพลิดเพลินอย่างเงี้ยเป็นกรรมนะเป็นกรรมเนื่องจากมันมีความหลงลมีโมหะเป็นกรรมที่เกิดจากโมหะ นั่นคือใครก็ตามที่ไม่เห็นพิษภัยของสิ่งที่เรากําลังบริโภคอยู่เนี่ยไม่เห็นทั้งประโยชน์เห็นโทษไม่เห็นวิวธีการนําออกเรียกว่ามีโมหะมีโมหะอย่างนี้มันก็ทําให้มีความหลงอยู่ในอัตภาพที่มันเป็นเพราะฉะนั้นสุนัขเนี่ยมันจะดีใจในความที่มันเป็นหมามากแล้วมันจะดีใจตรงที่ว่ามันมีตัวเมียแล้วมันก็มีกระดูกไก่มีเนื้อติดนิดหนึงกินมันดีใจมากๆด้วยความเป็นอัตภาพนี้เพราะฉะนั้นกรรมที่มันเกิดจากการที่มัน มีความยึดถือในความที่มันเป็นหมาเนี่ยมันก็จะมายินดีในความเป็นหมายอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นจึงมีคําพูดที่พระพุทธเจ้าเคยพูดอยู่บ่อยๆว่าสัตว์ throne, เดรัจฉานเนี่ยไปเกิดเป็นหนอนห้าร้อยชาติไปเกิดเป็นสุนัข500ชาติไปเกิดเป็นวัว500ชาติไปเกิดเป็นปลา500ชาติคําว่า500ร้อชาติห้าชาตินี่นะคือมันเกิดนานมากอย่างหมาเนี่ยมันดีใจความเป็นหมามันพอใจความเป็นหมามันก็มาเกิดเป็นหมายอยู่นั่นน่ะไกล ไก่ใช่ไหมไก่ที่วัดป่าตอนไหนสองนี่มีเยอะแยะแไก่ป่าเนี่ยมันก็ดีใจในความที่มันมีตัวเมียแล้วมันก็ดีใจในความที่มันได้มาจิกเศษอาหารกินเล็กๆน้อยๆอยมันดีใจด้วยความเป็นอย่างนั้ น, นพอใจด้วยความเป็นอย่างนั้นมันก็มาเกิดแล้วเกิดอีกเนี่ยเป็นไก่อยู่เรื่อยร่าไปร่ําไปนไม่มีความเบื่อหน่ายแต่ถ้าเมื่อไหร่มันเบื่อหน่ายแสดงว่ากรรมนั้นเป็นกรรมที่ไม่มีโมหะนั้นก็จะคลายจากอัตภาพนี้ไปสู่อัตภาพอื่นก็จะไม่เป็นกรรมต่อเนื่องกันไป ทีน้พุทธชาติพูดไว้ตรงนี้ชัดเจนคมมากว่าได้สร้างกรรมในอัตภาพใดก็จะรับผลในอัตภาพนั้นๆอันนี้แน่นอนโดยด้วยความที่เป็นโมหะในอัตภาพนี้ก็พูดถึงขันต่างห้านั่นแหละเนืสุนัข ก, ก็เป็นลักษณะขันห้าของตัวเขาเป็นอย่างนี้นื้อมนุษย์ก็มีขันห้าของฉันเป็นอย่างนี้เนืเทวดาก็ลักษณะขันห้าของเขาก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเป็นพวกอรูปประพรมก็จะเป็นแค่ขันสี่เพราะว่าไม่มีรูปละ ส่วนสัตว์นรกก็จะเป็นลักษณะเดียวกันยังมีขันทั้งห้าอยู่อันนี้ก็คิดว่าท่านที่ผููที่ใช้นาะมว่าผู้สูงวัยคงจะเข้าใจถึงเรื่องนี้ดีประเด็นที่ต้องการจะเน้นย้ำกับท่านผู้ฟังก็คือว่าเรื่องของเมล็ดพืชแล้วก็เนื้อหนานะแล้วก็เมื่อจิตของเราเนี่ยยังมีเชื้อแห่งการเกิดอยู่ไปอยู่ตรงที่ไหนมันก็โตแน่เหมือนอย่างกับไอ้เมล็ดมะม่วงเนี่ยถ้าเราปอกเปลือกออกใช่ไหมก็จะเจอเนื้อเอาเนื้อออกก็จะเจอ ไอ้เมล็ดเมล็ดเนี่ยถ้าเราลอกไอ้เปลือกที่แข็งออกนะที่เป็นกระดองของมันเนี่ยแกออกปุ๊บเราก็จะเจอส่วนที่เป็นอาหารให้เมล็ดแล้วเราลอกเข้าไปอีกลอกเข้าไปอีกเนี่ยเราจะเจอจุดเล็กนิดเดียวที่จะทําให้เชื้อมะม่วงเนี่ยมันไปโตได้แต่ถ้าเราเขียยตรงนี้ออกเมล็ดมะม่วงนี้จะไม่โตหรือถ้าเราเอาไปตากแดดจนมันแห้งจนยางเนี่ยมันหมดเนี่ยมเมล็ดนี้ยังไงก็ไม่โตณเส้นเดียวกันจิตของเราจิตของพระอรหันต์เนี่ยจิตของพระอรหันต์เนี่ยไม่มีตัณหา นะที่จะเป็นยางเหนียวในการที่จะไปเกิดต่อเกิดอีกต่อไปเพราะฉะนั้นจิตของพระอรหาน์เนี่ยจึงไม่ไปเกิดอีกจะพูดว่าไม่ไปเกิดก็ไม่ใช่นะเพราะไม่ตายแล้วนะซึ่งเป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนที่จะต้องปฏิบัติ ด, ด้วยนะถึงจะเข้าถึงได้อย่างแท้จริงต่อไปเรื่องของคำถามอีกคำถามหนึ่งที่มาจากคุณที่ใช้นามากนกรัตเขจรแขอันนี้ก็ เ, เคยถามคําถามมาอยู่เรื่อยๆ อ, อยูอ่ส่งมาที่เว็บไซต์เหมือนกันนะถามเกี่ยวกับเรื่องของอริยมรคมีองค์ 8, แปดซึ่งในบางนัยยะเนี่ยอาตมาได้เคยพูดถึงมีเรื่องของทั้งหมด10อย่างแทนที่จะพูด8อย่างใช่ไหมสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมันตสัมมาอาชิวะสัมมาไยมัสมาสติสมาสมาธิเนี่ยแอย่างบางทีพระพรุทธเจ้าก็พูดถึง10อย่างก็มี อีกสองอย่างที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือสัมมาวิมุตติและก็ส ม, มาวิมุตติ่าณัทนะคุณกรานกรั ก, ก็เลยถามมาว่าทำไมจึงมีองค์สิบแล้วก็สองอย่างนี้คืออะไรมีความหมายว่าอย่างไรแต่ น, นี้คำถามที่หนึ่ง เ, เราตอบคำถามที่หนึ่งก่อนอันนี้พระพุทธเจ้าพูดถึงหลายหลายนยะพูดถึงอริยสาวกเนี่ยคนที่บรรลุเป็นพระอารหันต์แล้วเนี่ย นอกจากจะอยู่ด้วยอริยมรรคมีองแป8แล้วเนี่ยยังอยู่ด้วยเพิ่มอีกสองนะคืออริยมรรคมีองแปดคืออะไรก่อนอต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องว่าอริยมรรคมีองแปดเนี่ยคือทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกนะคนที่จะพ้นทุกข์ได้คุณต้องเดินตามมรรคแมรรคแนี่ต้องพูดให้ชัดเจนนะอาตมาเคยมีคนมาท้วงติงเรื่องนี้ถ้าพูดว่ามรรคเนี่ยมรรคแปลว่าทางใช่ไหมแปแปลว่า8ทําให้เข้าใจว่าเป็นทาง8สายแต่ไม่ใช่เป็นทางสายเดี่ยว แนวะที่ไปสู่ที่ที่เดียวคือวิมุตต์ทางสายนี้มีองค์ประกอบอยู่8อย่างเพราะฉะนั้นจะพูดให้ชัดเจนก็ต้องเป็นอริยมรตมีองค์8หรือมรตมีองค์8นะมรตคือทางเดียวประกอบด้วย8องค์ประกอบเพราะฉะนั้นมรตมีองค์8เนี่ยจะทําให้เราไปถึงที่หมายเดียวนั่นคือวิมุตต์นะคนที่เป็นปุถุชนอยู่ คนที่ยังต้องเพียรปฏิบัติอยู่ศึกษาธรรมะอยู่นั่งสมาธิอยู่ต้องรู้ให้ได้ว่าไอ้พระอรันเป็นยังไงทําไปทําไปเนี่ยคุณต้องเดินอยู่บนอะเรียมัสมีองแปดก็คือว่าเอาไม่ได่ากันไม่ว่ากันนะมีสัมมาทิฏฐนะิมีความเพียรในการที่จะเอากิเลสออกจากจิตมีสติอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ทําสมาธิอยู่เรื่อยนะเป็นผู้มีสัมมาอาชีวะด้วยนะมีสัมมากรรมตะด้วยประพฤติตอยู่ในศีล มีสมาธิปัญญาก็พูดง่ายๆศีล ส, สมาธิปัญญาว่างั้นเถอะแค่3าอย่างนะถ้าเราอยู่ในศีลสมาธิปัญญาเอาคุณอยู่ในมรรคละกุญยู่ในมรรคซักวันหนึ่งไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้าคุณจะต้องได้เป็นพระอารหาันต์นะหรือเป็นอริยบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งทีนี้สําหรับบุคคลที่ถึงแล้วเช่นพระอารหาันต์ต่างๆปฏิบัติจนสุดละนะไม่ว่าจะเป็นอริยาสาวกในขั้งพุทธการหรืออริยาสาวกในปัจจุบันนี้เนี่ย ผู้ที่เป็นอรหันแล้วเนี่ยนะ เ, เขาก็ถึงแล้วมีมุดจบละเพราะฉะนั้นในการอยู่เครื่องอยู่ของแต่ละท่านแต่ละองค์ที่เป็นพระอาารันเนี่ยก็จะมี2 อ, อย่างเพิ่มขึ้นมาพระพุทธเจ้าพูดถึงอริยสาวกที่จะเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้อดีตอนาคตหรือปัจจุบันเนี่ยก็จะมีเครื่องอยู่10อย่างนี้นนก็คืออรยิยมรรคแป8แล้วก็บวกไปอีกสนั่นคือสัมมาวิมุตติกับสัมมาวิมุตติญาทณทัศนะ2อย่างนี้คืออะไร สัมมาเนีแปลว่าชอบดีถูกไหมวิมุตตเนี่ยก็คือหลุดพ้นคือมีการหลุดพ้นอย่างดีหลุดพ้นอย่างถูกต้องแล้วคือการหลุดพ้นอย่างที่สมัยก่อนที่จะมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติขึ้นเนี่ยคนอื่นๆที่เขาอยู่ในอินเดียเนี่ยสมัยนั้นนะเช่นประพฤติเปลือยกายบ้างาทั้งชีวิตไม่นุ่งผ้าเลยเอาขี้เท่ามาทาตัวบ้างแต่พวกนี้เขาก็บอกว่าเขาก็เป็นพระอรหันต์หมดอะ่ะเขาก็บอกว่าเขาหลุดพ้นแล้ว เขาไม่มีความอายเหลืออยู่เลยเขาจึงเดินท่งๆใครมาดูเขาเขาก็ไม่อายเขาคิดว่าเขาเป็นอย่างนี้หลุดพ้นดีแล้วแต่ความหลุดพ้นอย่างนั้ น, ม, นมันไม่ใช่มันยังเป็นมิจฉาวิมุติอยู่พระเจ้าจึงระบุให้ชัดเจนเรื่องของสัมมาวิมุตตตรงนี้แต่วิมุตตคือหลุดพ้นหลุดพ้นจากอะไรหลุดพ้นจากราคาโทสะโมหะไงหลุดพ้นอย่างมีสา ม, มาธิฐิด้วย หลุดพ้นอย่างชนิดที่ไม่มีเครื่องข้องใดๆที่จะทำให้ไปเกิดในพบใไหนอีกแล้นี่คือเรื่องของวิมุตติ อ, อย่างที่สิบที่พูดถึงถัดมานะี่คือสัมมาวิมุตติญาณทัศนะวิมุตติญาณทัศนะคืออะไรนะคือญาณเครื่องรู้เห็นในความเป็นวิมุตติคือวิมุตติหลุดพ้นเนี่ยเป็นสภาพที่ไม่สามารถรู้ได้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจคือนิพพานเนี่ยนะเป็นสถานที่ที่ ดินน้ำลมไฟดินน้ำลมไฟเนี่ยอย่างลงไปไม่ได้เป็นสถานที่ที่ไม่มีดวงจันทร์ <S <S ดวงอาทิตย์อยู่ในนั้นแต่ความมืดก็ไม่ได้ปรากฏแล้วก็เป็นสถานที่ที่ไม่หวั่นไหวไม่คลอนแคลนไม่งกเงกไม่ใช่เป็นที่เที่ยวของประดูชนเป็นที่ที่มานไปไม่ถึงเป็นที่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยจะย่งลงไปไม่ได้เพราะนั้นการที่เราจะรับรู้ถึงสิ่งที่เป็นนิพพานเนี่ยโดยใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ย จึงทำไม่ได้เพราะในนั้นมันไม่มีใช่ไหมพอในสิ่งที่ไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจอัตมาชามาอธิบายให้ผู้ฟังฟังด้วยสิ่งที่เป็นรูปสิ่งที่เป็นเสียงรสผลทพธาธรรมารมพวกนี้อัตบายอธิบายไม่ได้เลยเพราะว่ามันไม่มีในพวกนี้ทั้งหมดเอา้าแล้วจะรู้ได้ยังไงล่ะก็นี่ไงจึงต้องมีวิมุติยานัศนาคือเครื่องรู้เห็นในวิมุตนะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาในยกตัวอย่างง่ายๆ คุณจะเห็นป้ายสมมุติเดินทางมากรุงเทพอย่างเงี้ยคุณเดินทางจากต่างจังหวัดมากรุงเทพเฮ้เราเข้าเขตกรุงเทพหรือยังฮ้ป้ายที่จะบอกว่ากรุงเทพหรือยังเนี่ยนี่นะจังหวัดกรุงเทพเนี่ยคุณต้องเข้าไปในเขตกรุงเทพก่อนคุณถึงจะเห็นนะถึงจะเห็นป้ายว่าอ๋อนี่เขตกรุงเทพอย่างใครที่เคยไปมาเลเซียอย่างเงี้ยข้ามชายแดนไปตรงจังหวัดสงขลาก็ตามหรือจังหวัดยะลาก็ตามเนี่ยข้ามไปเนี่ยเราข้ามแดนมาเลเซียไปแล้ว นะเข้าเขตแดนมาเลเซียแล้วเราถึงจะเห็นป้ายว่าอ๋อนี่ประเทศมาเลเซียนะประเทศไทยเนี่ยก็จะมีป้ายก่บอาเอามาเลเซียไปทางนู้นแต่ตรงนี้ยังไม่ใช่มาเลเซียจนกระทั่งคุณเข้าแดนมาเลเซียแล้วคุณถึงจะรู้ว่าอ๋ออันนี้แดนมาเลเซียนะเหมือนการคุณต้องเข้าวิมุตตแล้วคุณถึงจะเห็นวิมุตติยานัตสนะป้ายที่จะบอกว่าไอ้นี่วิมุตนะถึงแล้วนะอยู่ในแดนวิมุตตไม่ได้อยู่ข้างนอกอย่างตอนเนี้ยที่เราสื่อสารกันอยู่ปัจจุบันเนี้ยเราถูกสื่อสารอยู่ด้วยระบบของสมมุติ นะสมมติก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นระบบที่ต้องใช้อย่างนี้ถึงจะเข้าสู่วิมุติได้นะคนที่เดินอยู่ในมรด้วยระบบของตาหูจมูกลิ้นกายใจอริมารคมืองแปดเนี่ยสุดท้ายแล้วเมื่อคุณเข้าไปวิมุติแล้วเนี่ยก็จะเกิดอย่างสุดท้ายตามมานะคือวิมุตติญ า, าทณทศนะคือเครื่องรู้เห็นในความเป็นวิมุติจะเกิดขึ้นตรงนี้แต่เพราะฉะนั้นอริยสาวกที่เป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยก็จะมี10อย่างนี้ นะคือเรียมรรคมี8ง แ, แปดอย่างละอีก2 อ, อย่างก็คือสัมมาวิมุตติแล้วก็สัมมาวิมุตติญาณทัศนะเป็นเครื่องอยู่ของท่านนะท่านเหล่านี้ก็จะเป็นผู้ที่ไม่มีกิเลสละเป็นผู้ที่สบายใจอยู่ตลอดเวลานะแล้วกเ็เป็นผู้ที่เป็นเนื้อนาบุญของโลกนะไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบซึ่งพระพุทธเจ้าก็พยายามจะให้สาวกทุกคนแหละทั้งผู้ฟัง นะที่บางรายการอยู่ก็ให้เป็นอย่างนี้นะให้ปฏิบัติถึงที่สุดของพรหมจรรย์ได้ในคําถามของคุณกรกรัฐก็ยังมีส่วนที่2 อ, อีกนั่นะคือถามถึงเรื่องของความว่างคือสุญญาตานะสุญญาตาความว่างนี่หมายถึงอะไรนะก็จะพูดให้สั้นๆตรงนี้ตามเวลาที่เหลืออยู่ว่าสุญญาตาความว่างเนี่ยอย่างเช่นว่าเวลาที่เราทํางานเหน็ดเหนื่อยมาทั้งปีแล้วอย่างนี้นะ หลายปีเราจะไปพักผ่อนอย่างเงี้ยทำนองเราก็คงจะไม่ไปเที่ยวอะไรที่มันโลดโผนมากนะคงไม่ไปอะไรที่มันโลดโผนต้องใช้กําลังมากจะไม่ไปอย่างนั้นก็จะไปแค่พักผ่อนชายทะเลหรือไปภูเขาไปถึงแล้วทาอะไรก็อยู่เฉยๆนะว่างๆนั่งอยู่ชายทะเลนั่งกินลมไปนี่ก็ไปพักผ่อนนะไปอยู่ว่างๆคือว่างจากการงานตรงนี้แหละคือสุนยตา ใ น, นเวลาที่เราไม่ต้องวุ่นวี่วุ่นวายในเรื่องของความคิดแต่ไปอยู่ว่างๆลักษณะความว่างตรงนี้จึงเป็นความสุขอย่างยิ่งเพราะพระพุทธเจ้าบอกว่าเวลาที่เราว่างเนี่ยเราก็จะเป็นเบาใจสบายใจแต่เป็นความสุขอย่างยิ่งซึ่งก็สอดคล้องกับที่พระพุทธเจ้าสอนในเรื่องของความเป็นสุญญาตาจิตของเราไม่ต้องวุ่นวี่วุ่นวายไปในความคิดแต่ถ้าตอบสั้นๆก็จะได้ในลักษณะนี้วันนี้ก็ได้ตอบไป3ามคำถามนะของคุณ กระดองรัดเกจอนแขกุณที่ใช้นามาผู้สูงวัยแล้วก็คุณชุติมาแล้วก็ถ้าท่านผู้ฟังอื่นๆมีคําถามที่จะสามารถเอามาพูดคุยได้ในรายการธรรมร า, ารุณนะแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังท่านอื่นๆด้วยแต่ก็ให้ส่งมาได้นะย้ำอีกครั้งหนึ่งสถานที่ที่จะติดต่อมาที่รายการไม่เพ่อจะติดต่อมายังอาตมาหรือว่าผู้ดําเนินการหลังไม้นะท่านอื่นๆก็สามารถติดต่อมาได้ที่นี่เหมือนกัน ติดต่อมาได้ที่รายการธรรมระบารุณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนมิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพฯ10400หรือว่าไปที่เว็บไซต์เพีย t h รรม a .com/prd ในนั้นก็จะสามารถใส่ข้อมูลได้แล้วก็พบกันในวันพรุ่งนี้รายการธรรมระบารุณก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังอีกเหมือนเช่นเคยจเจริญรพอน